เออต่างกันคือบางทีเนี่ยเขาเรียกเพื่อให้มันเนี่ยเ อ, อให้มันรู้ว่เป็นคนละตัวกันแต่บางทีท่านก็เรียกว่าเป็นอาการของใจกับใจคือบางท่านก็เรียกว่าเป็นอาการของใจคืออาการที่มันแลบออกไปส่วนใจเนี่ยมันไม่ได้แลบมันแลบไม่ได้แต่อาการของใจเนี่ยมันแลบออกไปปุ๊บแล้วมันก็กลับเข้ามาในใจแลบออกไปเอาอะไรมา แล้ไปเอาอะไรมากินเหมือนกับไปเอาอะไรมาวิภาควิจารณ์มาวิภาควิญญาณในใจแต่ใจเนี่ยออกไปไม่ได้ไอ้ที่แลกไปเนีย่ยเป็นเงาของใจเป็นเงาหรือเป็นมายาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางแล้วให้เป็นใจซะให้เป็นใจที่ได้แต่รู้ไม่เคลื่อนไหวเข้าใจไหมนี่บางท่านเขาก็เรียกว่าใจกับอาการของใจบางท่านก็เรียกว่าจิตกับอาการของจิตไอ้จิ ต, ตแท้ๆหรือจิตตั้งเดิมแท้ๆเป็นของไม่เคลื่อนไหว แต่อาการของจิตเป็นสิ่งที่เคลื่อนไห ว, วออกมาแต่บางท่านก็เรียกว่าอย่างหลวงปู่เทพเทนังสรีวัธิมังเพสท่านก็เรียกว่าไอตัวที่ปรุงแต่งที่มันออกไปได้ เ, เรียกว่าจิตแต่ที่ออกไปไม่ได้เรียกว่าใจแล้วแต่ว่าจะสื่อให้ความหมายให้มันตรงกันว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวได้กับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคลื่อนไหวตลอดกาลได้แต่รู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวเกิดดับให้รู้ว่าเราสมมุติให้ตรงกันก็นแล้วกันเข้าใจไหมมันเป็นคําสมมุติ คือสรุปแล้วคือมันมีสิ่งหนึ่งที่เคลื่อนไหวออกไปได้ไปเอาอะไรเข้ามาได้คือไปเอามาวิเอารูปเอาเสียงเอากินเอารสเอาสัมผัสเข้ามาวิพาควิจารมาวิเคราะห์วิจารวิจัยเอามาภาคเอามาพูดเอามาบ่นอยู่ในใจตลอดเวลาอันนี้คือส่วนที่ปรุงแต่งส่วนที่ปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารสังขารอ่าจะเรียกว่าสังขารก็ได้เรียกว่าสังขารคือไปไปสังขารเอกมามาปรุงแต่งในใจส่วนใจเนี่ยเขาเรียกว่าวิสังขาร ไอ้ส่วนที่สังขารเรียกว่าปรุงแต่งไอ้ส่วนวิสังขารคือสิ่งที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เลยเรียกว่าอาสังขตธาตุคือไม่อาจมีอะไรปรุงแต่งมันได้มันไปขอไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลย così, นี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวไม่เคลื่อนที่ไม่ปรากฏอะไรเลยให้เป็นใจซะผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพานิพานให้เป็นใจซะอย่าไปพิจิตที่เคลื่อนที่ให้เป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่ซะ ให้ไม่ปรากฏตัวตนไม่ใช่ว่าไปทํานิ่งๆไว้นะคือใจมันไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเคลื่อนที่แล้วก็เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเคลื่อนที่เกิดดับในความไม่เคลื่อนที่ทุกอย่างเคลื่อนที่เกิดดับในความไม่เคลื่อนที่ให้เป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนที่นะเข้าใจไหมเนี่ยกลับนมัสการครับที่ท่านอธิบายตอนแรกบอกว่าที่กายดับนะครับแต่จิตจิตไม่ดับก็จิตเดิมแท้จิตแท้หรือใจเนี่ยที่จิตไม่ดับอันนี้มันคือ จิตที่แสดงอาการหรือตัวใจครับที่ที่ว่าไม่ดับไอ้จิตที่แสดงอาการดับสิเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่ตองดับไปเป็นธรรมดาตอนที่กายกายดับนะครับอกายดับจิตก็ดับด้วยจิตคืออาการนี้ดับจิตที่แต่ตัวใจยังคงอยู่แต่แท้ๆที่มันไม่ปรุงแต่งมันมมันก็เลยไม่เกิดไม่ดับเพราะมันไม่ปรุงแต่งมันไม่มีอาการอะไรแต่แรกแล้วมันเลยแต่ว่ามันยังคงมีกิเลสอยู่นี่ไอ้ตัวใจนี่มันก็ต้องไปหา กายอยู่ใช่ไหมครับถ้ามันยึดวิกิฤตสอยู่เนี่ยไอตัวเนี่ยมันไปไอตัวยึดเนี่ยตัวปรุงแต่งเนี่ยมันไปไปยึดอยู่มันไปติดอยู่ในใจมันมันไม่สามารถที่จะใจกับคืนสู่ความว่างเปล่าได้มันทําให้ใจไม่ว่างเปล่าไอตัวที่ปรุงแต่งเนี่ยแต่ขันห้าดับนะแต่ความยึดไม่ดับความทุกข์มันก็มันก็ไปติดอยู่ในใจใจเลยมันไม่ว่างเปล่าเพราะว่ามันไปสร้างรูปร่างไว้เป็นกายปรวงแสงที่เรายึดอะไรไวอะไปสร้างรูปร่างเป็นตัวเราที่เรายึดตัวเราไว้ไปกายปรวงแสงก็เด่นหลุดจากล่างมาไป แต่ถ้าเราสิ้นยึดแล้วเนี่ยไอ้กายปร่งแสงก็ดับไปเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่ามองหาตัวไม่เจอเหมือนคนที่หายตัวได้เพราะฉะนั้นใจกับจิตจริงทีแทบจะแยกกันไม่ได้เลยครับใช่ไหมครับสําหรับผู้ฝึกจิตดีๆแล้วแยกได้คือเป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่แต่จิตเคลื่อนที่ครับเออที่ท่านบอกว่าไปให้สุดกุศ้ถึงคือไปให้สิ่งที่ไม่ไปถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับการปฏิบัติไปให้ถึงสิ้นสุดคือไปให้ถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นคือใจหรือจิตเดิมแท้ วิจะเรียกว่าอะไรก็ได้ภาษามันเยอะมากเลยเรียกอมตะธาตุฐฐาลูกตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุลบกูม่านเขาเรียกตพ่อแม่กบวาใจาใหญ่เรียกว่าถีติภูตังภาษาชื่อเยอะมากเลยะแต่ลูกูดูนาตโลเรียกว่าพุทธะพุทธหรือแต่เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลย มีแต่ความรู้มีแต่รู้มีแต่ความรู้แต่ตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีเรียกว่าพุทธะนั้นเป็นชื่อสมมุติหมดนะเหล่าเนี้ยบางเซนบางท่านเขาเรียกว่าอมตะธาตุแต่หลวงปู่ดูลย์นนท์เขาเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าพุทธะแต่ตอนจะดับจิตเรียกว่ามหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมมหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมเพราะมันมันเป็นความหายตัวไปเป็นความว้าเปล่าเมื่อนหนึ่งเดียวกับจักรวาลเดิมตอนที่จะดับจิตท่านบอก ว, ว่ารับปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพื่อเพื่อมาถึงจุดนี้ แล้วท่านก็ดับขันแล้วก็บอกว่าเพื่อมาถึงจุดนี้คือมหาสุญญาตาหรือจั ก, กรวาลเดิมขอขอสอบถามความเข้าใจนิดนึงนะคะสมมุติว่าใจมันเป็นธาตุรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวผู้รู้ที่เราเหมือนตั้งมันขึ้นมานี่มันไม่ใช่ อ, นนอันนี้ก็ไม่ไม่คำแล้วธาตุรู้อันนี้ <c oughs> อยาใจเรียวกว่าธาตุรู้อันนี้ก็ไม่คำเพราษาสมมตุติมันเยอะต้องต้องเข้าใจใตรงกันกันแล้วกั น, กน อ่านี่เรียกว่าฐานรู้อ่าอย่างสมมุติว่าที่เรารู้สึกว่าเราพยายามจะตั้งสติหรือว่าให้มันรู้สึกตัวหรือว่าผู้รู้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นสังขารอย่างหนึ่งใช่ไหมคะหลงตาคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใจเอ่อต้องช่วยกันนะต้องมีสติตามประชัญญะช่วยไว้ตัวที่มีความรู้สึกตัวไว้ไม่ให้หลงเหม่อเผลอติดไปกับอะไรเนี่ยเอาสติมาตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรัก ท, ที่ใจปล่อยวางที่ใจสติมันไม่ใช่ใจแต่มันช่วยทําให้มันมา บรรู้อยู่ที่ใจได้แต่ลักษณะอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนกับเรารู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแค่สังขารที่เราที่เราสร้างมันขึ้นมาใช่ไหมคะคือมันยังไม่ใช่คือมันมันก็ยังเป็นแค่สังขารใช่ไหมคะหรือเข้าใจฐานพอรู้สึกตัวเป็นสังขารใช่ถูกต้องมันที่ที่เราที่เราที่เราเหมือนพยายามจะสร้างมันขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะบางทีมันก็เราก็พยายามสร้างมันขึ้นมาบางทีมันก็อาจจะขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ อันนี้เข้าใจถูกไหมคะใหม่ๆเนี่ยมันก็สร้างพอนานๆไปมันก็เป็นความปกติคือมันเป็นความเคยชินชินคือมีความรู้สึกตัวจะเป็นปกติอันนี้ไม่ได้สร้างแหละการเป็ความเป็นปกติมีความรู้สึกตัวจะเป็นปกติครับใหม่ๆก็ต้องฝึกเพราะมันยังไม่ค่อยรู้สึกตัวต้องฝึกให้รู้สึกตัวต่อไปมันเป็นความรู้สึกตัวอย่างเป็นปกติเหมือนกับว่าตอนแรกไม่เคยชินอะไรไงเราฝึกใหม่ๆตอนแรกมันยังไม่เคยชินพอฝึกไปนานๆกลายเป็นความเคยชินเลยขาดไม่ได้เหมือนยังไั้ อย่างคนสูบบุหรี่เงี้ยมันก็ของของสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่มาแต่แรกม่แต่เดิมไงไม่หมายไปลองสูบบุหรี่ก็แล้วก็ฝึกสูบบุหรี่ไปฝึกสูบบุหรี่ไปฝึกเข้าฝึกข้านานๆเข้าอ่ะการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ต้องฝึกเห็นไหมขาดไม่ได้การไปขาดบุหรี่ไม่ได้เลยตอนเนี้ยมันเป็นของที่มันติดไปเลยอย่างที่เมื่อตอนนั้นพูดเรื่องจิตกระจอ่ะครับอย่างนี้ก็คือเราไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับจิตเลยไม่ต้องเข้าไปจัดการอะไรมาเลยทุกกองอยู่กับใจที่สงบและว่างเปล่าอย่นั้นแหละ รู้อย่างเดียวไม่ว่าจะโกรธจะอะไรทุกอย่างรู้อย่างเดียว เ, ออเดี๋ยวมันก็ดับเองอ่ะมีแต่ใจสงบลมเย็นอย่างเดียวใจสงบลมเยน็นเหมือนน้ำอมฤตมส่วนไอตัวจิตหรือตัวสังขารนี่มเกิดเกิดดับดับของมันเองจิตไอตัวปรุงแต่งสังขามก็เกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับเป็นเรื่องของมันเองไม่เกี่ยวกับเราเราก็เป็นใจที่สงบลมเย็นไปใจที่สงบเย่มเย็นว่างเปล่ามีความสุขนิพพานังประมังสุญยังเป็นมีแต่ความว่างเปล่านิพพานังประมังสุขขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมิแต่ความว่างเปล่ามิแต่ความสุขเป็นใจที่มีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความสุขสงบลมเย็นอยู่อย่างนั้นแน่ไม่เกี่ยวกับจิตเลยแต่จิตมันก็เกิดเกิดับดัอย่างนั้นแน่ปล่อยมือเริ่มเรื่องของนไม่เกี่ยวกับใจแล้วยังเราตั้งพุทโธขึ้นมาก็เพื่อให้มีเครื่องสังเกตละครับหรือว่าตั้งพุทโธพุทโธก็มาเพื่อไม่ให้ลงเหม่อเผอๆให้มีสติตับปัญญาในการดูตั ว, ต, วตัวพร้อมให้ในการทํากิจการงานในชีวิตประจําวันในตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น กายทำลายใจอยู icana, ่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทำลายใจอยู่กับสิ่งนั้นให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติตอบัญญะในการทํากิจการงานต่างๆในชีวิตกรามเป็นอยู่ให้ตัวกับใจมันอยู่ด้วยกันคืออยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าจะให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันโดยไม่พุทโธมางทีมันก็ไม่ค่อยอยู่จะให้บรรตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทํำลายใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำลายใจอยู่กับสิ่งนั้นมันก็ไม่ค่อยจะอยู่หรอก มันไม่ก็จะอยู่เราก็อาศัยเพิ่มขึ้นอีอันหงคือเพิ่มพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาทํางานไปด้วยแล้วก็พุทโธไปด้วยแล้วก็มีติดตะวัญญาในการทํากิจการงานด้วยแล้วใจกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยเพิ่มหลายอันมันก็เลยอยู่ตั้งงานก็เป็นเครื่องรอไว้ทั้งคบริการพุทโธก็เป็นเครื่องรอไว้มันเลยอยู่ไงแต่ใช้ตัวเดียวจริงมันไม่อยู่แต่เราไม่ใช่พุทโธเพื่อให้สังขารดับหรือว่าความคิดดับยไม่ดับได้แล้ว คือพูดโทและไอ้นํานก็สู้กันไปเรื่อยๆก็เพื่อว่าไม่ให้เราเหมื่อเพลเพลไปแม้แต่เราไม่เหมื่อเพลเพลนะพอเราไม่เมื่อเพลเพลเราฝึกจะไม่เหมื่อเพลเพลแล้วเนี่ยสติไม่ขาดแล้วเนี่ยเราึงต้องมาเห็นในจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับไอ้อจิตเนี่มันไม่มีหลอกที่จะไม่เกิดดับอ่ะจิตมันเกิดดับอยู่ในใจเรานี่แน่จิตมันเกิดดับอยู่ในใจตลอดเวลา แม้แต่เราเนี่ยไอที่เราเนี่ยต้องมีพุทโธพุทโธไว้เพื่อไม่ให้เหมอเผลนไปเพื่อให้มันมีสติตั้งดีใจดูที่ใจรู้ที่ใจได้นี่แต่เราเน่ยเมาเพลอไมันก็หมดสติจะมาตั้งสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรู้ว่าอะไรเกิดดับในใจเราก็รู้ว่าสังขารนี่นะมันเกิดดับในใจเราหรือว่าจิตเกิดดับในใจเราหรือว่าสังขารน่ะเกิดดับอยู่ในใจแต่ใจไม่เกิดไม่ดับเราก็เป็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความสงบร่มเย็นมีแต่ความสุขความสุขมันจะเป็นความสุขแบบว่าเป็็นนนนออออาาาาารรรรมมมมณณ์สสุุุุขททกกย่งเเะปว คือใจท no no it it ี ats, cool. ่ไม่ยึดอะไรมันก็มีแต่มีแต่ความสุขมีแต่ความสงบร่มเย็นมันไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ต้องไปคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยละคอยปล่อยคอยวางคอยไล่นะมันมีมันเป็นความใจมันสงบร่มเย็นอยู่ในตัวของมันเองแล้วมันก็รู้ว่ามันเนี่ยไม่ไปยึดไปเกาะเกี่ยวผัวพันสิ่งใดแล้วก็มันก็มีสังขารเกิดเกิดดับๆับอยู่ในใจแน่แต่ใจมันไม่ไปไล่ดูสังขารไม่ไปไล่ดับความคิดไม่เป็นไรดับอะไรเลยมันก็เป็นใจของมันเลื่อยไปแหละเป็นใจที่ นิพพานนางประรมังสุญญานิพพานนางประรมังสุขังเป็นความว่างเปล่ามีแต่ความสุขความสงบรลมเย็นสุขค <administer> right? ือสุขคือเหนือสุขเหนือทุกข์ไม่ใช <ents fuerte. S 1> ่เป็นสุขเป็นส <m uk imiz> ุขแบบอารมณ์สุขเดี๋ยวอารมณ์ทุกข์เดี๋ยวอารมณ์ทุกข์เดี๋ยวอารมณ์สุขเนี้ยสุขคือไม่ยึดอะไรเลยเป็นใจที่ไม่ยึดอะไรก็เป็นมันก็อยู่กระจายเป็นใจของมันเรื่อยไปเป็นใจที่เป็นผู้รู้ว่าตัวมันเนี่ยไม่มีตัวอะไรไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเป็นเป็นแต่ความว่างเปล่าเป็นแต่ความสุขเป็นความสงบรลมเย็นอย่างอื่นล ไม่มีอะไรเลยที่ไม่เกิดไม่ดับนอกจากใจเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับนอกร่างกายเราทั้งหมดคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาตจาันดาวเทียมที่บินว่อนไปมาทุกอย่างเกิดเกิดดับดับหมดร่างกายก็เป็นสิ่งที่เกิดดับพอแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสัตว์ในรฉานพืชพันธุน์ธัญญาหารอะไรเป็นสิ่งที่เกิดดับไม่เที่ยงหมดเพราะต้องทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎแห่งความเสื่อมตึกรามบ้านช่องสร้างมา เพราะม้ใหญ่โตที่สุดก็ต้องเก่าบูพรางสลายไปตามกาลเวลารถลาทําได้เหล็กใช้ไปนานๆก็ค่อยบูพรางสลายไปทุกอย่างตกอยู่ใต้กดอนิจจังทุกขังอนัตตายกเว้นอย่างเดียวใจเพราะใจไม่มีอะไรเกิดจึงไม่มีอะไรดับมีแต่ความรู้ว่าตัวมันไม่เกิดไม่ดับมีแต่ความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยทุกอย่างนอกจากมันแล้วเกิดดับหมดใจไม่ได้อยู่ในขันห้าใช่ไหมครับหมายถึงไม่อยู่ในขอบเขตนี้ไม่มีที่อยู่เลย แตนท่านก็บอกว่ามันก็คงอยู่ในตัวเราที่แน่มันก็แต่ว่าไม่รู้ที่ไหนแต่ตัวตัวมันไม่มีแต่มันคงอยู่ในตัวเราที่แน่มันไม่คงไม่อยู่ที่อื่นหรอกผมยังไม่ตายเหะมันคงอยู่ในตัวเราที่แนอแต่เมือน่าไม่ได้อยู่เป็นก้อนเป็นดวงเป็นรูปร่างเป็นอะไรนะท่านบอกมันเหมือนกับจักรวาลที่แน่ถ้าเปรียบเทียบว่ามหาสุญญตาจักรวาลเดิมเนี่ยยอ่างเงี้ยมันคือมันไม่ใช่ว่ารู้สึกว้างภายในใจรู้สึกว่างข้างนอกมันคือความไม่มีอะไรเลยเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติใจอ่ะ แล้วก็มีความเกิดเกิดดับดับอยู่ในใจได้แนะแต่จริงๆริมันไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหนไม่มีหรอกมีแต่เใจเย็นสบายใจใจเย็นเย็นใจแต่ไม่ใช่ปะไปแบบมีอะไรตรงไหนหรอกคือใจเย็นเย็นใจคือไม่เล่าร้อนไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นไอเย็นเหมือนน้าแข็งอะไรไหมฮะคือมันไม่เล่าร้อนไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นวายแต่จิตมันก็วุ่นวายมันไปตามอะจิตที่ปูกแต่งมันวุ่นวายเกิดเกิดดับดับมันไปตามเลือดตามลาวแต่ใจไม่วุ่นวายเคยดูหนังไหมแม่หนังกําลังภายในอ่ะ หรือว่าพวกนินจาไปดูไหมครับเออหนังกําลังภายในหรือหรือพวกนินจาเนี่ยมันจะมีคนแต่งชุดขาวเป็นปรมาจารย์ที่โอ้โหหนวดเขา่าผมเขา้าเขา่าหมดหนวดยาวแล้วก็เก่งมากโอ้โหพวกนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ที่ปรมาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็ถูกล้อมด้วยพวกมีกําลังภายในสูงนี่เต็มไปหมดเลยนะนี่พวกกําลังภายในก็ร้อมปุ บ, บปับปุบปับปุบปบอ่ามีมีกำลังภายในไปสูงหมดเลยคนชุดขาวที่นินจารตรงกลางเนี่ย อยู่คนเดียวเองแล้วก็สุดท้ายอ่ะคนชุดขาวชนะทุกทีเลยคนชจะตรงกาชนะทุกทีทาไมคนชุดขาวตรงกลางจึงชนะถึงชนะได้เพราะอะไรชนะคนจํานวนเยอะๆได้เพราะอะไรคนเยอะๆโอ้ยเขาหน่อเนี่ยวิ่งกันวุ่นเลย๊เต็มเลยแต่คนชุดขาวตรงกลางเป็นยังไงไม่ไม่เคลื่อนไหวใช่ป่ะถูกต้องเลยเพราะคนคนชุดขาวตรงกลางไม่เคลื่อนไหว จึงชนะสิ่งที่เคลื่อนไหวทั้งหมดเขาจะมีตีความคำว่าความสงบสงยบความเคลื่อนไหวใจนั่นแหละคือคนชุดขาวที่อยู่ตรงกลางเปลี่ยบเหมือนคนชุดขาวที่อยู่ตรงกลาง ส, ส่วนจิตที่ปรุงแต่งทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เปลี่ยนเหมือนสิ่งที่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเร็วปานใดก็ตามแต่ใจไม่เคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวจึงทําอะไรใจไม่ได้เพราะใจไม่เคลื่อนไหวนั่นแหละแบบเดียวกัน